การประชุมกันสําหรับพระใหม่จําเป็นมากเพราะว่าพระใหม่เข้ามาศึกษาก็ต้องได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสือและก็ได้ยินจากครูบาอาจารย์ที่มาอยู่จำพรรษาด้วยคิดถึงจุดนี้ก็เห็นว่าสมควรจะมีการประชุมสําหรับพระเก่าก็ไม่จําเป็นพูดในระหวา่างแปดค่า 15คาก็น่าจะเพียงพอแต่ตอนเช้ามีอะไรก่อนฉันแข่งหันก็พูดบางนิดหน่อยอเพื่เพื่อเป็นคติเตือนใจสําหรับหมู่พกเพื่อนตามไม่จริงก็มาคิดอะไรพูดเป็นคติบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาสัมผัสควรจะพูดก็ได้พูดไปตอนเช้าแต่บางครั้งก็ยาว บ, าบา้างบางครั้งก็สั้นบ้างแต่ตามไม่จริงก่อนควรจะพูดนั่นแหละ สําหรับพระที่เขามาศึกษาเข้ามาใหม่ถึงทันทั้งหลายจะเรียนรู้ทางคดีโลกมาแต่คดีธรรมมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งมันไปเป็นคนละอย่างกันคดีโลกคดีธรรมแต่มันก็ไปด้วยกันได้คดีโลกเรียนรู้ทางโลกก็เรียนรู้เพื่อกาะเพื่อ ย, ยดึดเพื่อเป็นวิชาอาชีพเพื่อ ย, ยดึดฐานบรรดาศักดิ์ แต่วิชาทางธรรมะถ้าเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดถือคลายแล้วกหลุดพ้นละวางปล่อยคลายและหลุดพ้นอันนี้คือฝ่ายธรรมะแต่ส่วนฝ่ายโลกเรียนรู้แล้วก็ทำงานเพื่อจะรับสิ่งตอบแทนคือรากยศสรรเสริญเพื่อหวังความสุขในชีวิตการเป็นอยู่ แต่ละคั้แต่ละชั้นแต่ละภูมิแต่ละกลุ่มแต่ละคณะแต่ละบุคคลแต่ควายธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทาง จ, จิตใจให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางแต่ตามไม่จริงความรู้ทางโลกที่เรารู้มาก่อนหรือว่าทางธรรมที่เรารู้มาก่อนความรู้ทางโล ก, โลกเอามาใช้ทางธรรมได้ไหมมันก็เป็นความรู้อันเดียวกัน ยิใช้ความคิดความพิจารณาแต่ใช้เป็นคนละิดทางเหมือนกับคนดีกับคนชั่วนั่นแหะถ้าหากว่าเราจะคิดไปในทางชั่วเราก็ใช้ปัญญาจะคดจะโกงจะป่นจะจี้จะรักจะขโมยจะฆ่าจะแกนเขายังไงถ้าปัญญาไปในทางธรรมะถ้าจิตใจเป็นธรรมะจิตใจมีพื้นฐานทางธรรมะก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าเราจะช่วยเหลือยังไงเราจะสอนยังไงเราจะพูดยังไง เราจะแนะนําอย่างไรจะเกื้อกูลอุดหนุนอย่างไรทั้งด้านความคิดทั้งด้านความรู้ทั้งด้านวัตถุจะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ถือคือความคิดเหมือนกันแต่มันคนละยางกันผลมันออกต่างกันอันหนึ่งให้ผลคือความสุขอันหนึ่งให้ผลคือความทุกข์แต่ออกมาจากใจอันเดียวกัน ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่พวกเราศึกษาในขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่พวกเราบวชเข้ามาเนี่ยศึกษาธรรมะภ า, าคภปฏิบัติส่วนปริยัตเราก็มาเดะละทิ้งปริยัตินั่นคืออะไรปริยัติทางตาตาได้เห็นหมู่พวกเพื่อนได้เห็นวัดได้เห็นครูบาอาจารย์นักสัมเนียบดู อันนี้ก็คือประยัดทางตาประยัิทางหูได้ยินหมู่พเพื่อนผูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรื่องต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเราก็นำมาคิดมาพิจารณาอันนี้เรี่อประยัดทางหูตาหูของเราเ น, น, นะ่ยคือประยัดที่เรารับรูรับทราบทีนี้ผมเองผมก็สบายใจอยู่จุดหนึ่ง ที่หมูพกเพื่อนเข้ามาบวชในพรรษาหรือว่าหลายๆรุ่นมาแล้วผมก็ไดแนะนําสั่งสอนตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่ที่เคยได้ศึกษาหรือเคยได้อยู่กับครูบาอาจารย์มาก่อนเมื่อพบโอกาสใดก็จะแนะนําพอจะพูดเรื่องอะไรพอจะให้เป็นคติตัวอย่างสําหรับหมูพกเพื่อนผมก็พยายามให้เขาอกเข้าใจในแนวทางของภาคปฏิบัติ แต่ที่ว่าผมดีใจหรือว่าผมเบาใจอีกส่วนหนึ่งก็คือมีเทพบูบาจารย์หลายองค์ในวัดของเราแล้วก็ผมก็พยายามหาเครื่องเทพเพื่อจะให้หมู่พวกเพื่อนได้ศึกษาถ้าหว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านมีความสนใจที่จะศึกษาพยายามฟังใจตรองและฟังหลายหลายครั้งในแนวทางภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเทพบ้องหลูกตามหาบัวเราต้องฟังหลายหลายม้วน หลายๆข้อความหลายๆครั้งแต่ละมวลท่านจะพูดในลักษณะหลายแง่หลายมุมหลายเลี่ยไหลายเหลี่ยมบางทีท่านก็เอาเหลี่ยมหนึ่งขึ้นมาพูดบางทีท่านก็เอาลักษณะหนึ่งขึ้นมาพูดแต่เราพยายามฟังให้เข้าใจฟังด้วยความใจเย็นฟังแล้วก็ใส่ตรองไปด้วยจากนั้นก็นังสือหนังสือในวัดของเราก็มีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือของหลวงตาหมาบวยหนังสือหลวงปู่ลานหนังสือหลวงปู่เทศหนังสือหลวงปู่ชาล้วนแล้วแต่สมควรที่พวกเราจะต้องศึกษาจะต้องอ่านให้เข้าใจแต่นอกนั้นก็พยายามดูเป็นแนวทางเปรียบเทียบคือเราไม่ปิดหูปิดตาทีเดียวเราก็พยายามดูพยายามกันกรองถ้าว่ามีความสงสัยตรงไหนจุดใด ก็ให้หมู่พวกเพื่อนถามกับหมู่เพื่อนหรือถามผมได้ถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนประเด็นใดเพราะพวกหมู่พวกเพื่อนบางองค์ก็ศึกษาแต่ทางอื่นศึกษามาทางโลกแต่ในฝ่ายธรรมะก็เพิ่งมาริเริ่มหรือว่าริเริ่มยังไม่มากเพราะไม่มีเวลาเพราะนั้นในการบวชเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ก็พยายามฟังพยายามอ่าน เราก็ควรจะอ่านทั้งพระไตรปิฎกด้วยคือพระไตรปิฎกเนี่ยที่อ่านเนี่ยก็จะจะให้พวกเราได้ศึกษาและรับรู้ว่าพระไตรปิฎกนั้นท่านพูดอย่างไรแต่ตามไม่จริงพระไตรปิฎกถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้สนใจจริงๆผู้ที่ไม่ได้เข้าใจในพื้นฐานมาก่อนจะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกนี่ผมว่าเข้าใจยากยากกว่าธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ เพราะว่าพระใจปิดกบางครั้งท่านจะเน้นหนักในการพูดบางทีคําเดียวนั่นะหลอตาไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหูไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจมูกเป็นอนิจจังทุกขงังท่านจไล่ไปจนถึงขันธ์ห้าทั้งหมดแต่ตาไม่จริงน่าจะพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวตนของเราน่าจะพูดอย่างนั้นก็เข้าใจแล้ว แต่อันนี้ในพระไตรปิฎกจะพูดเป็นทีละอันละอันย้ำอยู่อย่างนั้นถ้าอ่านไปถ้าไม่เข้าใจก็จะ เ, เบื่อเบื่อเหมือนกันว่างั้นเกันอ อ, อันนี้คือผู้ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงเราก็ควรจะศึกษาควรจะอ่านบ้างเพื่อจะได้รู้แนวทางว่าพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างไรแต่เรื่องพระวินยัยพระวินัยปิฎกนะ่ะฉบับหลวงนะ่ะมีอยู่ห้าเล่มใหญ่อันนั้นควรศึกษาอย่างยิ่ง อันนั้นภาวินัยรู้สึกว่าละเอียดมากยกตนต่อมาเรื่องพระพุทธเจ้าบัญญัติแก่ไครพระองค์ไหนที่ทําไม่ถูกต้องยกขึ้นม า, าแตงแต่ที่แรกพิจุรูปใดทําอยู่ที่ไหนให้เขาเป็นตัวอย่างขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเออทิคขบถ ท, ที่ท่านบัญญัตินี้มีความหมายอย่างนี้เพราะเหตุนี้เหตุอย่านี้มาท่านจึงบัญญัติอย่างนี้เราจะได้รู้ เพราะนั้นบางทีสิทข้าบทบางอย่างท่านมีความหมายอย่างไงท่านถึงบันดาลแบบนี้ความเป็นมาอย่างไรมาถึงยุคนี้บางสิกธ ข, ข้าบทถ์ก็ไม่จําเป็นแต่ก็ต้องคงเอาไว้ไม่ใช่ว่าใครจะถอนสิกธ ข, ข้าบทไหนก็ถอนได้อันนั้นไม่ถูกเอาองค์ใดไม่ชอบใจก็ถอนองค์นี้จะถอนองค์นั้นก็เป็นยุคเป็นสมัยพอในสุดมันก็จะต้องหมดไม่ครบเพราะนั้นพระวินยัยพระไตรปิฎกถึงยังไงก็ต้องเอาไว้อย่างเดิม ให้ครบตามกําหนดเพราะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันในการปกครองหรือการเป็นอยู่ของชุมชนหรือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นท่านจึงคงเอาไว้ทั้งหมดใครจะไปถอดออกไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านถึงจะบวชเข้ามามีเวลาน้อยก็ควรจะศึกษาอ่านบัง้งพระไตรปิฎกเพื่อจะได้รู้แนวทางว่าเออพระไตรปิฎกเนี่ยเขาพูดไปอย่างนั้นท่านพูดไปอย่างงั้น ลักษณะอย่างนั้นเราก็จะได้เข้าใจแนวทางแต่ถ้าหากจะให้เข้าใจจริงๆผมก็แน่ใจแล้วมั่นใจว่าธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เนี่ยจะเข้าใจได้ดีกว่าแต่บางท่านผมก็เคยได้ยินบางท่านที่ฟังเทปก็บอกว่าสัมผัสทางหูของผมนี่ดีกว่าสัมผัสทางตาแต่บางท่านก็บอกว่าสัมผัสทางตาของผมดีกว่าสัมผัสทางหู เพราะนั้นพวกเราให้สังเกตดูว่าเมื่อฟังเทพเนี่ยความเข้าใจในธรรมเทศนาหรือว่าคาพูดน่ะอันไหนดีกว่ากันถ้าหากว่าเราฟังเทพเราเข้าใจได้ดีกว่าก็แสดงว่าสัมผัสทางหูของเราดีกว่าถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือเราเข้าใจเพราะจะย้อนหน้าย้อนหลังดูทบทวนดูเข้าใจได้ดีกว่าอันนั้นก็เป็นอันว่าสัมผัสทางตาของเราดีกว่า อันนี้จะให้เสมอกันหรือเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ในทุกองสังเกตแล้วก็ธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคําท่านก็รู้แล้วในพระธรรมหรือรู้แล้วในทางปฏิบัติของท่านท่านควรจะแนะนําท่านจะสอนอยังไงการแนะนําสั่งสอนจะให้เป็นแบบเดียวกันหรือลักษณะเดียวกันนั้นก็คงจะเปี้ยอย่างเดียวไม่ได้ก็คงจะไปคนละแถวและแนวกัน แต่ว่าถึงยังไงก็เดินไปเพื่อจุดเดียวกันเหมือนกับเราจะเดินทางลงไปกรุงเทพบางทีอาจจะไปทางอุราช์หรือไปทางลำนาลายหรือลงไปทางนครสวรรค์หรือมาทางราชบุรีหรือไปทางปักสงใสเข้าไปทางระยองอย่างนี้ไปชนบุรีหรือจะเข้ามาทางมหาสมุทรทะเลก็ามาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายคือจุดนั้นคือกรุงเทพ อันนี้ก็เหมือนการธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์หรือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาไปก็จุดเป่งหมายก็คือวิมุติหลุดพ้นทํายังไงจึงจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงต้องเติมตั้งแต่ศีลสมาธิแล้วกับปัญญาแตนี้ศีลสมาธิปัญญานั้นเราจะใช้ยังไงมันจึงจะเหมาะ ก, ก็เหมือนกับแต่ละท่านให้เครื่องมือมาให้ความคิดมาอย่าง หลวงตามหาบัวท่านปฏิบัติอย่างไงท่านจึงได้รู้ได้เห็นธรรมะหลวงปู่เทศท่านปฏิบัติอย่างไงท่านจึงได้รู้ได้เห็นธรรมะเราอ่านลิขิตของท่านเราก็คงจะพอเข้าใจอย่างหลวงปู่ชาอย่างหรือครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ท่านมีความสามารถที่เขียนออกมาหรือพิมพ์ออกมาหรือถอดเทปออกมาอย่างนี้พวกเราคงคงจะพอเข้าใจแต่จะให้เหมือนกันนั้นผมว่าไม่เหมือนอ่านดูแล้วไม่เหมือน แต่ว่าจุดหมายปลายทางนะั้นคืออันเดียวกันแต่ว่าคำพูดหรือแนวทางของแต่ละท่านที่ท่านแนะนำสั่งสอนมีความหยาบละเอียดต่างกันชุดแท้แต่องค์ไหนท่านผู้ใดจะชอบธรรมะองค์ไหนที่เอามาถูกกับจริตกับตนเองแล้วก็เอามาแก้ไขปรับปรุงสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านภาวนาอย่างไงท่านชนะอย่างไง ท่านนกกิเลสให้ลงนอนกับพื้นได้ด้วยวิธีอย่างไรท่านก็เอาแนวทางของท่านนั่นแหะบางองค์ท่านอาจจะว่าอ้าวเตรียมข้อไฟแล้วก็จ่องนอกอยอดคางเลยลงเลยบางองค์อา้าวเราเตรียมนอกชกท้องมันเลยเลงเลยเ อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันที่การจะชกนอกกิเลสเนี่ยท่านจะนอกอยังไงท่านจะเอาชนะอย่างไรในจิตใจของท่าน อันนี้ก็เป็นลิขิตแต่และองค์ที่ท่านจะเอาชนะกิลเลสทีทีตั้งแต่เริ่มสมาธิบางองค์ท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบางทีท่านก็บอกยังหายใจเข้าหายใจออกไม่ทันหรอกมันห่างไปต้องพุโทโธพุโทโธสิเนี่ยอันนี้มันก็แตกต่างกันไปแล้วพุโทโธให้ทียิบสิเนี่ขณะจิต ท, ที่มันนึกคิดมันจะไม่ให้มันไปที่อื่นมันจะไปที่อื่นไม่ได้เพราะว่า ถาหาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันยังห่างไปมันยังมีช่องว่างที่จิตมันจะได้หลาะออกไปได้ต้องพุทโธในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ถี่ในจิตใจพอมาอยู่จิตใจทีนี้มันก็รู้ได้แล้วอ่ะอือสติมันก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือ ที่ท่านได้ธรรมะหรือว่าได้สมาธิมาหรือว่าได้เดินปัญญาด้วยวิธีอย่างไรท่านก็นำํำทำหรือว่านำข้อปฏิบัติของท่านมาอบรมให้พวกเราได้่อนพวกเราเหมือนกับเด็กแบแบบอกที่พวกเราได้ศึกษาใหม่ก็เหมือนกับเด็กพ่อแม่หรือพี่เลี้ยงจะทําอาหารประเภทยงงอย่างไรอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเด็กขนาดนี้อันนี้คือธรรมะของครูบาอาจารย์ โตขึ้นมาหน่อยท่านจะให้ทํำยังไงจนถึงเป็นหนุ่มเป็นคนแก่ขึ้นมาแล้วควรทําอย่างไรอนี้เป็นต้นนะเนี่ยไอ้ท่าบอกเป็นผู้แนะนําธรรมะเข้าสู่ จ, จิตใจหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงสําหรับพวกเราอันนี้ผมก็สบายใจทว่าดีใจอยู่ส่วนหนึ่งคือเทปธรรมะในวัดของเราก็มีมากอยู่ที่จะให้พวกเราได้ศึกษาและหนังสือก็มีมากมีหลายเล่มมีหลายระดับ ที่จะให้พวกเราได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษาจากเทปจากหนังสือและมีความคล่องใจตรงไหนอย่างไรก็ขอให้ถามพวกหนู่มพวกเพื่อนที่ท่านบวชเก่าก็มีอยู่หลายองค์เพื่อจะแนะนำสั่งสอนพวกเราที่บวชใหม่ได้หรือมาถามผมโดยตรงก็ได้ยินดีหากสิ่งไหนแก้ได้ก็จะบอกถ้าสุดวิสัยที่จะพูดก็จะแนะนําพาไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านบอก แก่ในความรู้ความคิดนั้ น, น, นแต่โดยมากผมมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อได้ฟังเทปเมื่อได้ดูหนังสือเมื่อได้ฟังเทศแต่ละครั้งพวกเราก็คงจะตำหนิตัวเองบอกว่าพวกเรายังทําไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นที่ท่านพูดเอาไว้ยังอ่อนอยู่มากอย่างเรื่องสติอย่างนี้เป็นตน้นก็ยังอ่อนพยายามทําสติให้สม่ําเสมอหรือให้มีการบริกรรมให้สม่ําเสมอ หรือในการเคลื่อนไหวทุกอริยาบทให้มีสติอย่างนี้พวกเราก็ยังทำขาดขาดหล่นหลนขาดขาดตกตกขนาดนั่งดูจิตตัวเองแท้แท้จิตตัวเองหายไปไหนหายเงียบไปขาดสติไปพวกเราเองก็ยังตามไม่ทันตัวนั้นธรรมะส่วนอื่นๆที่จะก้าวไปขั้นวิปัสสนาหรือชั้นสูงขึ้นไปพวกเรามันก็ต้องขั้นพื้นฐานก็ยัง กไก่ผสมสระสระอาผสมให้อ่านออกพวกเราก็ยังขาดตกอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ที่ให้ดีเลิศขึ้นไปยังมีอีกต้องศึกษาไปเรื่อยๆนั่นแหะเพราะธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดคือท่านเกตในเทปในหนังสือผมว่าควรศึกษาให้มากๆนั่นแหละพยายามอ่านพยายามฟังอาศัยการได้ยินได้ฟังนั่นแหะฟังแล้วก็เข้าใจ อ่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ลงมือประพติธปฏิบัติด้วยที่ว่าอ่านหรือฟังนะะั่นคือปริยัตไม่ใช่อื่นไกลปริยัตคือแนวทางเราต้องศึกษาแผนที่ซะก่อนที่เราจะเดินไปทางไหนเ ร, เราจะไปกรุงเทพเราก็ต้องดูแผนที่ซะก่อนว่ามันไปที่ไหนบ้างสายไหนจะตรงกว่ากันให้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เราก็เดินตามแผนที่นั้นๆ น, น, นั้นคือปริยัต แต่เราเพียงแต่ศึกษาแต่แผนที่เฉยๆเราไม่ก้าวเดินตามแผนที่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ยังอยู่ที่เก่าแต่ถ้าาว่าเรารู้แล้วแผนที่เรารู้แล้วแต่เราเดินตามแผนที่ไม่มากก็ต้องน้อยมันก็ต้องก้าวไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวก็คือผลทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วบอกปฏิเวทปฏิเวทธรรม เพราะนั้นพวกเราหมู่พกเพื่อนทุกๆุกองให้ตั้งอกตั้งใจแหะบวชในพรรานี้สามเดือนอย่าให้บวชมาฟรีหรือบวชเปล่าประโยชน์อย่างน้อยก็อยากจะให้หมู่พกเพื่อนได้รับความสงบทางด้านจิตใจจิตสงบบ้างก่อนที่จิตจะสง บ, บได้เนี่ยมันต้องพยายามทําให้สม่ําเสมอนะเราจะยึดกรรมาฐานอะไรเป็นหลักอย่างพูดโธพุดโธอย่างที่ผมว่าให้ทียิบเนี่ยในเวลานั่ง หรือเวลาเดินเวลาเดินพุโทโธพุโทโธพุทโธให้ถีบยิบปรได้ไม่นับขาแต่เรานั่งหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเวลาเราจะเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทหรือเราจะนั่งพุทโธพุทโธพุทโธให้ถียิบเวลาเราจะเดินพุทโธพุทโธพุทโธให้ถียิบมันก็ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นกรรมฐานของสูบาจารย์หรือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราอยา่าไปสับสน อย่าไปคิดว่ากรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้กรรมฐานสี่สิบอย่างพุทธาธรรมาสังคาศีลาจาคาเตวตามรณนะอาณาปณนะล้วนแล้วจะเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราจะยึดอันไหนเป็นหลักได้ทั้งหมดสรุปแล้วก็คือเข้าในข่ายสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมที่บริกรรมทั้งหมดหรือว่า การเที่ยนาปฏิบัติทั้งหมดจะไม่หนีจิสติปฐานสีเนี่ยนะถึงครูบาอาจารย์คงไหนจะแนะนําอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าสับสนจะ ย, ยุกหนอพองหนอก็ตามจะกําหนดดูใจอย่างเดียวก็ตามว่าเราคิดเรื่องอะไรเพ่งอยู่งั้นก็เข้าข่ายจิตตารู้ปัสนาจิติปฐานกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสับสนพอสําคัญให้ทําจริงทําจัง ยึดกรรมฐานไหนให้ยึดกรรมฐานนั้นให้เป็นหลักจริงๆอย่าเป็นคนจับจดจะเป็นคนหลักลอยวันนี้ภาวนายึดกรรมฐานนี้วันพรุ่งนี้ยึดกรรมฐานนั้นใครว่ากรรมฐานนั้นดีกิยึดไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยอันนั้นใช้ไม่ได้สเปะสปะเรายึดกรรมฐานใดเราต้องสังเกตว่ากรรมฐานนี้ที่ภาวนาไปหลายวันมันเป็นยังไงหลายเดือนมันเป็นยังไงไม่ใช่หลายวันอ่ะเป็นเดือนๆปีๆเท่านั้น ต้องยึดภาวนาเข้าไปจิตใจเย็นสบายอย่างไรรู้อย่างไงเห็นอย่างไรอันนี้เราต้องสังเกตตัวเองว่าพวกเราเปลี่ยนกรรมาฐานบ่อยๆเหมือนกับเปลี่ยนต้นไม้บ่อยๆอย่างนั้นเขาว่าต้นไม้นี่ไปปลูกที่ตรงนั้นมันจะดีเราก็ปลูกตั้งาไปปลูกใหม่เขาว่าปลูกอย่างนั้นจะดีอา้าวปลูกทําวิธีใหม่มอา้าวต้องเอาปุ๋ยหมักลงไปก่อนเราเอาปุ๋ยหมักลงไปก่อนเอารื้อขึ้นมาใหม่ แล้วก็บอกออกใส่ปุ๋ยก่อนลงไปอ้าวใส่ปุ๋ยก่อนปุ๋ยคอกก่อนมันมีหลายวิธีแต่ยังไงก็ตามเราต้องศึกษาก่อนที่เราจะยึดกรรมฐ า, านอะไรเป็นหลักแล้วก็ทดสอบทดลองดูก่อนจิตใจของเราเชื่อมั่นว่าอย่างนี้แหละถูกต้องคงจะเป็นไปได้จากนั้นก็ยึดให้แน่นข้อสําคัญก็คือให้พยายามทําให้สม่ําเสมอพยายามทําให้นานพยายามให้ต่อเนื่อง คือพยายามให้มีสติอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละพวกเราจะได้รับผลอย่างดีเยี่ยมบางั้นจะไปทํารุ่มรุมรอนรอนคิดสนุกขึ้นมาวันไหนแล้วก็ทําไปถ้าขี้เกียจวันไหนก็ไม่เอานอนอย่างนั้นน่ใช้ไม่ได้เออมันไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นทําให้ต่อเนื่องพยายามทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยึดกรรมฐ า, านอันไหนก็ยึดให้มันหนักแน่น กรรมฐานของผู้ใหเจ้าดีทั้งหมดนั่นแหละแต่ข้อสําคัญเรานะนะั่นนหละเอามาปฏิบัติหนักแน่นหรือเปล่าคือผมก็ได้ยินพระบางองค์ท่านพูดเออผมภาวนาภาวนาพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทธโธพุโทโธเนี่ยพอภาวนาไปรู้สึกมันแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นหน้าอกเหมือนกันนะผมก็เลยบริกรรมว่าทำโมทำโม หายใจเข้าทาหายใจออกโมทาโมทาโมใจของผมรู้สึกเบาสบายรู้สึกว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบได้นะแต่คนผู้ฟังนั้นมันก็แปลกเหมือนกันพุทโทรกับทาโมทำไมจึงแปลกกันแต่อันนี้กระสุดแท้แต่ละบุคคลอาจจะตีความหมายลึกๆในตัวของเขาเองว่าทาโมนั่นคืออะไรพุทธโทรนั่นคืออะไร แต่ถ้าเราฟังแบบคิ้วเผอแล้วก็วิเคราะห์เดี๋ยวนันก็ไม่น่าจะแปลกแตกต่างกันแต่วันนี้ผู้ปฏิบัตินั้นมันแปลกแตกต่างในเมื่อแตกต่างนั้นก็เอาไม่ขัดข้องยี่ว่าทําโมทําโมทําโมก็ได้ยีว่าสังโมสังโมก็ได้จะบริกรรมอย่างนั้นก็ได้ไม่ขัดข้องข้อสำคัญจิตเข้าสู่ความสงบได้ไหมเท่านั้นเองจิตเข้าเป็นหนึ่งได้ไหมเท่านั้นเองจิตมันรวมได้ไหมเท่านั้นเอง อย่างที่เขาพูดว่าแมวจะเป็นสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้เปลวใจใช้ได้อย่างนี่้ไม่เลือกว่าแมวสีดําสีแดงสีขาวอะไรถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องสมาธิก็ลักษณะนั้นเหมือนกันจะเป็นกรรมฐานใดอะไรก็ได้ถ้าทําจิตให้เป็นหนึ่งได้อทำจิตให้เป็นหนึ่งมาให้มันฟุง้งพระในครั้งพระพุทธเจา้ามีหลายองค์ แต่ยกให้มาฟังกนะ็คือพระจุระบรรทกะจุระบรรทกกท่านหัวไม่ดีก็คงมีบุพกรรมเก่าในอดีตคือเคยไปล้อเรียนพระที่ท่านอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ท่องหนังสือไม่จาท่านก็หัวดีท่านก็ไปเห็นพระที่ท่องหนังสือไม่ดีเอามาล้อเล่นในหมู่เพื่อนฝูงก็ทําให้พระองค์นั้นอายมากๆเออเพราะเอามาล้อเล่นท่านก็เลยมีกรรม มาในพบนี้ชาตินี้ที่ท่านเจอสําเร็จเป็นพระหัน์ท่านจะยังมีกรรมตัว น, นั้นแหละบวชเข้ามาแล้วเรียนพุทธวจนะหรวดเรียนคําสอนของพระพุธเทธเจ้าเนี่ยสามบาดฟาคาถายัางเรียนไม่จบนโมตัสสะนี่ก็ยังเรียนจะไม่ได้เอาความจําของท่านแย่จริงๆพูดไปแล้วก็แล้วแต่ผู้พี่ชายเนี่ยเป็นผู้หัวฉลาดเฉียบแหลมพี่ชายใหญ่ของท่านพอบวชเข้ามาไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหันแต่น้องชายเนี่แย่ บวชเข้ามาแล้วกับความจำเนี่ยย่แย่พยายามสอนอย่างไรก็จําไม่ได้เพราะมันคงกรรมอย่างที่ท่านว่าน่ยผลที่สุดที่ชายก็ลักษณะตะเพิดข่มขูแล้วว่าให้สํานึกหรือ ว, ว่าให้ระลึกได้หรือ ว, ว่าให้เป็นผู้ตั้งใจจริงๆชีวกโกมารพัฒนิมนตรหาน้อยเข้าไปฉันในบ้านมหาบัณฑิตเบอกว่ า, วาจุรบัณฑิตมันเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ต้องไปก็ได้เรียนพุทธพจนะเพียงเคานั้นแตยังไม่ได้แย่ไม่ให้ไป ตอนนี้ท้อก็เสียใจจะไปศึกวรางั้นพระพุทธเจ้าจวนสว่างท่านก็มองดูสัตวะโลกว่างใจช่วยเหลือใครใครจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างไรท่านก็เห็นท่านจุลบัญฑกะเนีเข้าไปในข่ายคือเข้าไปในจออจอโทรทัศน์ของท่านว่างั้นท่านก็รับรู้เออจะต้องไปอบรมจะต้องไปเทศจะต้องไปแนะนําให้จุลบัญฑกะพระองค์ก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าประตู ยูบาารบาลทกะก็เดินตุ่มเตียมเข้าไปเพื่อจะไปลาสิขาแล้วนะท่านไปก็ไปเจอผู้ได้เจ้าผู้ได้เจ้าจุรบาลทักษะเธอมาอะไรกระผมพี่ชายดุสะเพื่อกระผมคงจะอยู่ในศาสนาไม่ได้เพราะว่ากระผมเรียนพุทธวจนะอะไรก็ไม่จำผู้ได้องก็บอกว่าเธอบวชเข้ามาเธอบวชอุทิศพี่ชายแล้วว่าเธอบวชเข้ามาเพื่อ อ, อุทิศเขาพุทธธรรมประสงค์อุทิตสถาคต กับผมบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์กับผมเออทางนั่นอยู่ไปกลับโอ้ท่านก็ดีอกดีใจท่านเองจากนั้นมาท่านก็พาให้จุลาบรรกาศตามหลังท่านไปท่านก็ประทานผ้าขาวให้ผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งพอประทานผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งท่านก็บอกว่าให้รูปผ้าเช็ดหน้าผืนนี้นะฮัชโชฮรนางหัตชังหลติโอ้ผ้าผืนนี้ขาวจริงหนอโอผ้าผืนนี้ขาวจินหนอโอผ้าผืนนี้ขาวจินหนอผ้าผืนนี้ขาวจริงหนอ คือให้ลูบพื้นนัอ่าคือท่านเอาเอาผ้ า, าไปไปหามุมสงบไปหาที่สงบสงัดในมุมวัดเ น, นี่นแหะท่านกัไปหาที่มุมสงบท่านกับไปนั่งท่านก็เอามือลูกผ้าผื้นนั้นลูกไปลูกมาลูกมาลูกบหลายครั้งแต่หลายหนเข้าพอลูกเข้าลูกเข้าผ้พาพื้นนั้นก็ต้องสีดำนนเลยอ่าเพอาะมันลูกหลายครั้งเข้าพอลูกเข้าไปพอเป็นสีดําท่านกับเห็นของไม่เทียงโอตะกอนผ้าคนนี้ตะกอนสีขาวจริงสะอาดจริง แต่มาเสี้วนี้ทําไมมันดําปีขึ้นมาเรื่อยๆท่านก็เห็นอเนจังคือของไม่เที่ยงพอเห็นอเนจังของไม่เทียงเท่านั้นน่ะท่านก็เห็นไตรลักษณ์อเนจังทุกขังอนัตตาเข้ามาสู่จิตใจของท่านท่านกับปล่อยวางคลายไม่ยึดถือจิตใจของท่านกับรุดพ้นจากอาสวะกิเลส น, น่ะอันนี้กรรมฐานเนี่ยไม่ได้ว่ากรรมฐานนู้นไม่ได้ว่ากรรมฐานนี้แต่ว่ากรรมฐานนี้เหมาะสําหรับองค์ของท่าน ที่เอามือลูบผ้าเช็ดหน้าเป็นอุปนิสัยในอดีตชาติอีมือนกันที่วันเรียนหนังสือไม่ดีนี่ก็อดีตชาติเหมือนกั น, e น, น, กต น, กนแต่วันที่ได้สําเร็จนี่ก็เป็นอดีตชาติเหมือนกันบอกว่าที่ท่านได้สําเร็จนี่เพราะผ้าเช็ดหน้าฝืนเนี่ยในอดีตชาติเพราท่านเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่จะขึ้นฟ่อช้างก็แต่งองค์ทรงยศเต็มที่นั่นพระเจ้าแผ่นดินสมัยเก่าก็ทองประจกตัวเองแล้วก็ ว่าสะอาดหมดจดที่สุดทีนี้นั่งทางรอบพนาครพอนั่งไปกัดนานๆมันก็ต้องร้อนสิช้างเดินไปเรื่อยๆร้อนก็เลยควักผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าขึ้นมามาเช็ดหน้าพอมาเช็ดหน้าแล้วก็มองเห็นความสกปรกในผ้าเช็ดหน้าก็เกิดความสะลดสังเวชใจบอกเออก่อนที่เราจะออกมาเสด็จรอบพนาครนเนี่ยเราก็ดูแล้วดูอีก หน้าของเราก็ดูบหมดจดสดใสไม่มีมลทินแต่มาเดี๋ยวนี้พอเอาผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาดูผ้าเช็ดหน้าของเราเนี่ยดำปี๋เลยท่านก็เกิดความสลดสังเวชอสุภาษเห็นอเนจังอเนจังคือของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เห็นอสุภาษคือความไม่สวยงามของร่างกายใจของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นวิปัสนาในช่วขณะหนึง่งแค่ว่าอย่างลึกถึงพื้นของจิตใจเลยในขณะนั้น มันว่าบเข้าไปถึงจิตใจนั่นแหละท่านว่าเป็นอุปนิสัยติดภพติดชาติตอนที่ท่านจะได้สำเร็จท่านจึงได้เอาผ้าเช็ดหน้าคืนนั้นมาลูกฮัดโชฮัลนาหัดชังฮัติผ้าผืนนี้ขาวหนอผ้าผืนนี้ขาวหน่อ่แล้วท่านก็เห็นความไม่เที่ยงความสกปรกของร่างกายความสกปรกของผ้าเช็ดหน้าท่านจึยปล่อยวางได้สาเร็จเป็นพระอารหันต์ขึ้นมานะ นี่แหลเมันก็เข้าคายตรงที่ว่าจะเป็นแมวสีอะไรก็ได้จะกรรมฐานอะไรก็ได้ถ้าเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายและกระุดพ้นจากกิเลสอันนั้นแหละกรรมฐานนั่นแหะถูกต้องแต่จะว่ากรรมฐานมาจากเมืองแบนแดนสวรรค์อะไรก็ตามถ้าเอามาแล้วเป็นกรรมฐานที่สั่งสมกิเลสด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะกรรมฐานนั้นเป็นเครื่องพอกพูนกิเลสทั้งปวงอันนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่กรรมฐ า, านใดพิจารณาแล้วรู้ตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายเห็นร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราจิตใจไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วก็หลุดพน้นนั่นแหละกรรมฐ า, านนะั้นถูกต้องแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีพระเคยเป็นช่างทองมาก่อนองค์นี้ก็ เป็นลูกศิษย์ของท่านสรีบุตรสรีบุตรท่านก็สอนเรื่องภาวนาให้เจริญกรรมาฐานห้าเกษาโลมาณะขาธันตาตะ จ, จูวงนี้ก็พอได้กรรมาฐานจากพระอุปัชฌายะแล้วพอห้าพรรษาท่านก็ออกไปในปา่าไปเจริญอย่างเต็มที่พอไปเจริญมันก็ไปถูกเจริตของท่านมันมีแต่ความโ ง, ง่ความห่วงความไม่เข้าใจ ก็กลับมากลมาหาอุปชัยยาอีกอุปชยัยยาอะไรถามว่าท่านไม่ได้ทําความเปลี่ยนท้ํากับผมถามไปถามองค์อื่นว่าท่านองค์นี้ทําความเปลี่ยนโอ้ทําอย่างเอาจริงเอาจังจริงเอ๊ะทำไมท่านก็เหมือนก็ให้ยาอีกเหมือนกันค่ะให้ยิ่งขึ้นไปอีกให้พิจณาถึงอาการ32หนังเงื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับเพิงื่ให้พิจรณาตามความปิดจริงแล้วปล่อยวางก็ให้ไปอีกออกไปไปเล่นภาวนาอีก ใจของท่านก็ไม่สบากเป็นอ น, นว่ากรรมฐานไม่ถูกกับเจริตเข้ามาอีกครั้งที่สมก็ให้กรรมฐานแบบให้อเนจังทุกขังธนาตาให้ปล่อยวางก็ไม่ได้กลับมาบอกเอ๊ทามาไหนก็เลยองค์นี้คงจะแปลกก็เลยพาพระองค์นั้นไปหาพราะพุทธเจ้าพุทธองค์บอกว่าเออสารีบุตรพระองค์นี้เป็นพุทธวิสัยหรือพุทธเจ้าท่านาจึงจะสอนเขาองค์นี้นะจากนั้นพระพุทธองค์ท่านก็เอา ดอกบัวทองคำให้ให้เว่าใช้อานาจฤทธิ์ดิรามิตให้เป็นดอกบัวทองคำขึ้นมาประทานให้พรน ะ, อะเอาดอกบัวไปให้เธอไปเพ่งดูนะหามุสมสงบในวัดทีนี้พอได้รับดอกบัวจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเขาก็ดีอกดีใจเพรางว่าทราบทราบเขาไปถึงส่วนลึกเลยเพราะเขาเคยเป็นช่างทองมา ก, ก่อนเขาเคยทำอะไรมีแต่ทำความเสร็จสวยงดงามดูอะไรให้ดี งามไปหมดเพ่งเป็นความงามตลอดจากนั้นเขาเอาดอกบัวไปตั้งอยู่ในลิมสระแล้วก็นั่งดูดอกบัวนั่งไปนั่งมาดอกบัวที่เป็นลิศของพวกพุทธเจ้านั่นก็ค่อยเศร้าหมองลงทีละน้อยละน้อยละน้อยเหมือนกับทอง อ, อมันเศร้าหมองนะแต่ก่อนออกใหม่ๆก็เหมือนกับทองในเบ้ามันเปล่งปังไปหมดต่อมาจะเศร้าหมองในะทีนิดเล่นิดเลนิด อฝนในสุรก็ดาเกือบจะว่าดําปีนั่นแหละมันเศร้าหมองพระ อ, องค์นั้นก็เห็นที่รับจากพระพุทธองค์มารู้สึกมันดอกบัวนี้เป็นปังสดใสมากแต่มาถึงจุดนี้มาถึงเวลานี้ดอกบัวนี้เศร้าหมองอท่านก็เห็นอานิจังของไม่เที่ยงอานิจังทุบขังอนาตานี่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจากนั้นเท่ากันเกิดความเบื่อหน่ายคลาย ในจิตในใจของท่านทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจิตใจของท่านกับบุพเพนิจากกิเลสนี่แหละกรรมฐานที่พูดมาทั้งหมดนะที่ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติแต่ว่าอย่าไปจับจดอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยทำอะไรทําให้จริงให้จังทำให้สม่าเสมอพยายามยึดให้นานทําให้นานและเป็นอย่างไร ถ้าวำปฏิบัติไปแล้วผลมันเกิดขึ้นไม่ดีเท่าที่ควรก็จะเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเปลี่ยนก็ค่อยว่ากันเปลี่ยนไปดูเป็นยังไงแต่สำหรับผมเองผมในภาวนาพุทโธเป็นหลักแต่พร้อมกันก่อระลึกถึงมรณะนุสติคือภาวนาพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพื่อจะทำกิตให้สงแต่พร้อมกันกับมรณนุสติในระลึกถึงความตาย คล้ายๆว่าให้สํานึกอยู่เสมอว่าเราเนี่จะต้องตายแน่นอนอย่าสงสัยไม่ควรสงสัยในความตายทุกคนต้องตายเกิดมาผ่านประตูเกิดมาแล้วก็ต้องเข้าสู่ประตูตายแน่นอนอันนี้ไม่ต้องสงสัยอันนี้คล้ายๆว่าให้ตัวเองสํานึกไว้อยู่เสมอเรื่องความตายถ้าจะว่าไปก็คือว่าช็อกความคิดของตนเองไว้ไม่ให้มันฟุ้งเฟ้อรุ่มหลงไปกับโลกสงสารจนเกินไป แามว่าเราไม่ระลึกถึงความตายเจะเลยเนี่ยความฟุ้งเฟอ้เอเห่อเหิมเนี่ยมันจะคิดออกนอกกรูนอกทางได้ไง่ายๆแต่เราระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอเนี่ยหรือว่าเรานั่งภาวนาเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าก่อนที่จะจะกำหนดภาวนาเราระลึกถึงความตายเออชีวิตของเรามาถึงจุดนี้วันนี้นับว่าโชคดีแล้วที่เราไม่ตายก่อนหน้า น, นี้ไปเพราะชีวิตของเราเป็นเหมือนกับน้ําค้างใบบัวจริงๆ ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวเอาไว้แต่เรามีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ น, นับว่าเป็นบุญกุศลของเราแล้วจากนั้นก่อนภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเพื่อจะทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็พิจารณาสุภาษพิจารณาร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับปังผืด อาการสามสิบสองทุกส่วนตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงทีสต์ตั้งแต่ทีสะ์ลงไปฝ่าเท้าจากนั้นก็เพียนนาถึงหนังหุ้มอยู่โดยรอบจากนั้นกระทลกหนังออกมากําหนดเพี้ยนนาแยกส่วนแบ่งส่วนเหมือนกับมีคนคนหนึ่งมาแฉเนื้อสัตว์เมื่อวัวควายหมูอย่างนั้นที่เขาชำแระเนื้อสัตวนะ์อ่ามันก็มีแต่โครงกระดูกจากนั้นก็โครงกระดูกของเราไปอย่างไงกําหนดดูโครงกระดูก คนเราก็มีแต่เพียงแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นแต่ทําไมเราจรึงลุ่มหลงที่ลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาทั้งหลายแหล่มันมีตัวเชือ้อตัวหนึ่งคือกิเลสภายในใจใจของเรานะั่นนะ่ะมันคิดลุ่มหลงขึ้นมามันก็เลยเป็นตัวก่อขวนเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาในนั้นแต่เจนอาตามความเป็นจริงแล้วร่างกายสังขารมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมีแต่โครงกระดูกมีแต่ตับไตไส้พุิ เราพี้ยนนาแยกส่วนแบ่งส่วนหรือจะเอาเป็นกองกองในร่างกายเนี่ยผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังกกไว้กองหนึ่งเนื้อเอาไว้เปิดกองหนึ่งเส้นเอ็นกองหนึ่งกระดูกแต่ละชิ้นกระดูกทีษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกชี้โครงดูๆเป็นกองกองออกมาแล้วอะไรคือเราเราเป็นนั่นได้ไหมอันนั้นเป็นเราได้ไหมอันนั้นคือกระดูกอันนั้นคือเนื้ออันนั้นคือเอ็น อันนั้นคือตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละเราให้พิจณาอย่างนี้เรื่องพิจณาอย่างนี้แล้วกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกาม ก, กิเลสที่โลกทั้งหลายติดอยู่มันจะคลายลงไปพอเห็นอย่างนั้นแล้วความกำหนัดยินดีมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อเราเห็นอริยภาอย่างนั้นแล้วเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นนะในส่วนลึก ข, ของใจแล้วมันก็ต้อง ไม่ปล่อยวางมากมันก็ต้องวางน้อยจะให้มันอยู่เฉยๆเป็นไปไม่ได้เมื่อเราพิจารณาดูหลายครั้งหลายหนตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วอความกำหนัดกินดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากเผลอๆหลายๆครั้งต่อหลายๆหนขึ้นมาก็พิจารณาถึงความปล่อยวางเป็นอนิจจังของไม่เที่ยนทุกครังปล่อยวางถึงอนัตตาคือความนึกคิดมันก็จะต้องเชื่อกรดึงจิตใจเลยถึงเมื่อเห็นภายนอกแล้วมันก็ต้องเข้าสู่ส่วนลึกของใจ นั่นแหละมันออกไปจากใจทั้งหมดตัวอสุภะภายนอกอสุภะภายในอสุภะภายนอกก็คือร่างกายาสุภะภายในก็ออกมาจากใจใจเป็นคนแต่งตั้งเป็นสุภะและอสุภะตัวนั้นน่ะตัวใจนั่นแหละเอ่าที่โจรต้นโพพระพุทธเจ้าต้างบอกว่าดูก่อนกามเอ่ยเจ้าเกิดมาเพราะความดําริคํานึงถึงนั่นเองเจ้าจึงเกิดขึ้นมา ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ดำหลิกคำนึ่งถึงเจ้าอีกต่อไปเจ้าจะเกิดขึ้นมาไม่ได้สรุปแล้วคือกามมักกิเลสเนี่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะความดำหริกคำหนึงถึงเอออันนี้คือเป็นหลักของการมักกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของสามัญชนปุตุชนผู้ยังมีกิเลสอยู่อันนี้ถ้าเมื่อเราเอาอัจุพะเข้าไปกดรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวาง ไม่มีความกำนักยึดถือยินดีแล้วก็คือพระอนาคาชัดๆหนึ่งถ้ามันปล่อยวางได้แล้วออกมาจากจิตใจแล้วคือพระอนาคาเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะยังเหลือแต่ตัววิชาคือความหลงยังอยู่ในจิตของพระอนาคามีแต่พระสกทาคามีท่านบอกว่ า, วาทำให้กิเลสเบาบางคือทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะให้เบาบางลง ยังไม่ขาดจะต้องมาเกิดในโลกอีกชาตินส่วนพระโสดาบันยังมีราคะโทสะโมหะแต่ว่าราคะโทสะโมหะนั้นไม่สามารถที่จะทําความชั่วด้วยเจตนาไม่สามารถที่จะฆ่าคนด้วยเจตนาขาโมยโด้วยเจตนาคือล่วงละเมิดสินห้าโดยเจตนาไม่มีในจิตของพระโสดาบันท่านเห็นโทษแต่พระโสดาบันยังมีราคะโทสะยังมีครอบครัวอยู่ ทั้งผู้หญิงผู้ชายสามีพันยาจึงอยู่ด้วยกันแต่ท่านไม่สามารถที่จะล่วงละเมิดในศีลห้าที่ผิดไม่ฆ่าสัตว์ลักรทรัพย์เพฤติดในกามมุสาสุราจากนั้นก็กายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามกรรมบท10ศิะย์ปุดาบานท่านจะเข้มงวดถึงใจด้วยท่านจะไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนรกสวรรค์มีจริงพระโสดาบันท่านเชื่ออย่างสนิทใจใครจะเบนให้ท่านเอาเงินแสนเงินล้านยกอะไรให้ท่านท่านก็ไม่ยอมเพราะท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆเอีอย่างที่ไฟมันร้อนอย่างนี้เราจะเอาเงินให้มาเป็นแสนเป็นล้านไฟเย็นนะไฟเย็นนะไฟเย็นนะพ้นต้องบอกว่าไฟเย็นนะอจะพูดได้อย่างไรก็ไฟมันร้อน นีพระโสดาบันท่านรู้ตามความเป็นจริงอย่างไรท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นเข็ยนอย่างนั้นเชื่อในบาปบุญนรกสวรรค์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในพระโสดาบันเชื่ออย่างสนิทแต่ถึงยังไงพระโสดาบันจะได้เกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจชาติทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะพระโสดาบันคงจะมีเกรดท่านเราจะจัดเกรดนะ A B C เเอเนี่ยเขาเรกวเกรดหนึ่งท่านจะต้องเกิดเพียงชาติเดียวท่านก็ชำระจิตใจของท่านบางทีท่านอาจจะเกิดสมชาติถ้าพูดเป็นบาลีโกลังโกลังสามชาติเจชาติชตุขะตะประมะแต่ไม่เกินเจชาติเรียกว่าพระโสดาบันฝ่ยนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกๆองค์ก็พยายามนั่นแหะไปบวชเข้ามาในพุทธศาสนาโลกท้างโลกก็อย่างที่พวกเราเห็นเห็นอยู่ นอนหลับตื่นกินถายมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละหมุนเวียนกันเป็นวันๆไปความสุขก็เกิดจากความพอใจถ้าเราพอใจแั้นกันนั่นลหละคือความสุขทีนี้เราควรจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราใหม่ว่าความพอใจของเราคือเราพอใจในการเป็นอยู่แบบนักบวชเราจะได้ภาวนาดูชำระจิตใจของเราต้องให้มีความพยายามทำให้มีความพอใจอย่างนี้ ถ้าเรามีความพอใจทางโลกมันก็จะเป็นลักษณะทางโลกไปความพอใจจุดใดอย่างไรที่เราเห็นเห็นการเป็นอยู่แต่ละวิชาอาชีพต่างกันแต่บางคนก็ชอบในอย่างนี้ความชอบนั่นแหะคือความพอใจเมื่อคนมีความพอใจเขาก็มีความสุขในจุดนั้นแต่ความสุขที่แท้ จ, จริงนั้นปุ้ทุชนเนี่ยจะหาไมา่เจอความสุขของพุุ้ชนเหมือนกับหมูคอยขึ้นเขียงท่านเอ นี่ยหมูอยู่ในลกในเล่าหรือไก่อยู่ในลกในเล่ากินเป็นวันวันนอนเป็นวันวันเจ้าของเอาข้าวไปกินก็กินอิม่มนอนแต่ว่าจุดที่มันจะทุกข์จริงๆหรือตรงที่เขาจะเอาไปเชือดไปขึ้นเขียงที่นี่นะ น, นั่นแหละเห็นทุกข์ก่อนลอะรเป็นเ้ี่ยเออพอโดนเขาเชือดเขาจับเขาจะขาดลองทุกข์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามาพิจารณาดูแล้ว คนเราทุกๆคนที่เป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นเนนก็ตามเป็นอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้คิดในจุดนี้เอาไว้กับเหมือนกับหมูเรานอนอยู่เฉยเฉยเรามีความสุขว่าเรามีความสุขแต่จุดหนึ่งเมือ่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเยือนพยามัจยุราชเข้ามาเยือนพวกเราก็ติ่มผาดผาดกันงเออหัวเรื่องนู้นล่ะที่ใจมันจะขาดนี่ยเออมันเป็นยังไงที่ใจมันจะขาดมันเป็นยังไง สุขหรือทุกข์ที่นี่ที่เราบอกว่าความสุขทั้งหลายแหล่ที่เราเคยกินนอนได้ใช้แบบสบายอะไรทุกอย่างนั่นอะ่ะมันลือหมดเพราะตัวนี้เป็นมหันตต่ทุกข์ที่ว่าทุกข์ใหญ่ที่สุดที่เราจะลาโลกไปเนี่ยเป็นความทุกข์ที่สุดเพราะนั้นความสุขในโลกเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นความสุขที่จอมปลอมไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความทุกข์มาหือมาจมอยู่หน้าของเราเนี่ย ยังเป็นภูเขาทะมึนอยู่งั้นเพราะนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ถ้าหาว่าพวกเราได้คิดเอาไว้หรือว่าปล่อยวางได้เป็นอริยะบุคคลเป็นหลักแล้วแนวทางของเรารู้แล้วเห็นแล้วหรือพระสัาคทาธามีหรืออนาคามีทางว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นละ่ะเป็นบร ม, มสุขเพราะนั้นพวกเราให้พยายามมักผลนิพพานอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดไว้นั่นเป็นยังไงยังไง พวกเราก็ได้ฟังได้ศึกษาพวกเราให้ตั้งใจตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่เรื่องสมาธินี่ยนะเป็นต้นไปอย่างที่ผมพูดตั้งแต่เบื้องต้นว่าสมาธิเอาอย่างไงพวกเราจะยึดอันไหนเป็นหลักและจะเดินวิปัสสนาจะเดินอย่างไรสรุปแล้วก็คือให้จริงจังกับตนเองแล้วก็ให้สม่ําเสมอพยายามทําไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดมักขาดตอน ถึงจะขี้เกียจขี้คานยังไงก็พยายามทําลุกขึ้นมาทําพยายามทําเมื่อมีสติขึ้นมาก็พยายามเอาสติจับตนเองอยู่เสมอเสมออันนี้แหละไม่มีทางไหนที่จะตรงหรือว่าถูกต้องยิ่งกว่าตรงนี้จุดนี้ไปบางองค์บางท่านท่านก็ได้เร็วท่านรู้เร็วเห็นเร็วอันนั้นก็เป็นบุญวาสนาในอดีตชาติของท่านเราจะไปทําอย่างท่านทุกอย่างไม่ได้ เหมือนกับคนที่เรียนหนังสือเก่งหรือเขาสอบได้ทีหนึ่งอย่างเนี้เราจะไปทําอย่างเขาทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหัวของเขาความคิดของเขาเป็นบุญของเขาส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงเราก็พยายามแต่บางคนเขาไม่เด็จจาเป็นจะต้องอ่านหนังสือมากไม่จําเป็นจะต้องฟังมากเหมือนกับคนที่หัวถือฟังครูอธิบายหน่อยเดียวของเขาเข้าใจแล้วอ่านเทบพเเดียวผ่านทีเดียวเขาเข้าใจแล้วเขาตอบไปถูกเปี้ยละ ที่นีเราจะไปทำแบบง่ายๆกับเขานั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องอ่านหลายครั้งเราต้องฟังให้เข้าใจเราต้องถามครูให้เข้าใจเราจึงจะเข้าใจได้เพราะความเข้าใจของเรามันอยู่คนละเกรด ก, กันกับผู้ที่มีบุญวาสนาหัวดีเนี่ยถ้าฉะนั้นท่านก็ไม่พูดสุขะปฏิปทานทันทาปิญญาจิปปะปิญญารู้รเร็วรู้รชา้ามันต่างกัน เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเราจะรู้ได้เร็วหรือรู้ได้ช้าเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆอย่างเนี้ทําไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่เอาจริงเอาจังนะในเอาจริงเอาจังไม่จําเป็นจริงๆเราก็พยายามไม่พูดไม่คุยกันมากแต่ไม่ถึงกับอธิษฐานว่าเราจะไม่พูดกับใครอันนั้นผิดนะอย่าไปอธิษฐานนะเพราะพูดได้จรจ้าท่านปรับอวบัติถ้าหากว่าพระเขา้าพรรษาและอธิษฐานไม่พูดกันปรับอวบัตทุกข์ด ท่านบอกว่าถ้าพระไม่กล่าวสั่งสอนกันไม่แนะนำกันความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนกันจึงจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต่างองต่างปิดปากหมดจะมีความฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นการพูดกันก็ให้มีธรรมในการพูดในหลักธรรมท่านบอกว่าให้มักน้อยให้สั้นโดดให้ไม่คุกคีอย่างนี้เป็นต้นนะ เรอสิบอย่างที่ว่ามีในทางมันพวกเราศึกษากันแล้วกันดูแต่ผมอ่านอ่านแล้วผมก็ลืมไปเป็นไงวะวาจาที่ควรพูดวาจาที่ควรแนะนำวาจาที่ควรพูดกันแต่พวกเราพูดไม่เป็นอย่างนั้นน่ดิมันพูดเรื่องโลกเรื่องตรงสารเรื่องวัฏฏามีแต่เรื่องจิตใจมัวหมองทําให้คุณมัวไม่ใช่พูดเพื่อให้รู้ตามความจริงปล่อยวางไม่พูดให้ชั้นโดดให้มักน้อยให้เห็นโทษเรื่องโลก วัตถสงสารนี่ยถ้าพูดได้อย่างนั้นมันก็มันเป็นเรื่องของธรรมะแต่ไปพูดคุยกันเรื่องสัพเพเหระเนี่ยมันมีแต่พอกพูนจิตใจทําให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาในใจิตใจเมื่อกับสวนทาง ก, กันกับความสงบละเส่นพอนั่งภาวนาลงไปแต่ไก็ไปคิดถึงเรื่องหมู่พวกเพื่อนพูดอะไรให้ฟังอ่ามันก็ติดจิตติดใจอยู่นั่นแนหะสมาธิมันจะเกิดมันก็หายไปหมด ปัญญาจะพิจารณาอะไรมันก็หายไปหมดเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้พูดมั่วสุมคุยกันจนเกินไปต่างองค์ต่างอยู่ถ้าหากวยเรามาศึกษาเพื่อสมาธิจริงๆเราต้องพยายามตรวจตราตัวเองนะ่ะให้เข้มหวดขวดขันให้มากมากเลยนะไม่ใช่พอสมควรละ่ะให้มากๆเลยเก็บตัวไว้เท่าไหร่ยิ่งดีสมาธิยิ่งจะเกิดกับท่านูนั้น ผู้นั้นจะได้รับความสงบอย่างแน่นอนอไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมของผู้เผธเจ้าเนี่ยพร้อมอยู่แล้วที่จะเบ่งบานในจิตใจของผู้เอาจริงจังแต่ถ้าว่าไม่จริงจังแล้วธรรมะจะไม่เกิดเพราะทําไม่ถูกเหมือนกับเราต้องการผลมะม่วงเราปลูกแล้วเราก็ไม่ได้สนใจแต่เราอยากจกินดูอยากจะได้มะม่วงอยู่จะปลูกเสร็จแล้วไม่ได้สนใจไม่รู้เถาวันไม่รู้อยากคาไม่รู้อะไรปกคุมไปหมด แล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาไม่ได้พอเราทำให้ถูกอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากจะให้จิตสงบจริงอยู่แต่เราไม่เอาจริงเอาจังเราภาวนากักสัจธรวาพุโทโธพุโทโธสองสามคำแล้วก็คิดเรื่องอื่นต่อไปก็อยากจะให้มันสงบเราบองแต่ผลเราหวังแต่ผลแต่เหตุที่พวกเราทำเนี่ยอ่อนแอมากอันนี้ใช่ไม่ได้ขอให้พวกเราทบทวนดู ของพวกเราเองนั่นแะทุกทุกอ ง, งนันะให้พวกเราทบทวนเราเองว่าจุดบกพ้่องของเราอยู่จุดไหนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทำไมจิตใจของเราจึงไม่ได้รับความสงบแต่ละวันเราคิดไปในทางไหนคิดเรื่องอะไรมันเป็นนิยานิกระทำเป็นเครื่องที่จะนำออกหรือเปล่าที่เราคิดน่นะหรือว่าเป็นเรื่องคิดที่มันผูกมัดจิตใจเข้าไปสู่กิเลส ต, ตัณหาโลกโกดลง นี่เราต้องใช้ปัญญานะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยนะให้พวกเราไม่ตรวจตราดูตนเองเมื่อเราต้องการผลมะม่วงต้องการกินมะม่วงเราปลูปกอย่างไงรักษาอย่างไรถ้าเหตุมันพร้อมแล้วผลมันก็ต้องออกมาไม่ต้องสงสัยแต่าหากว่าเหตุมันไม่มีเหตุไม่พร้อม ปลูกเสร็จแล้วไม่ดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องปัจจุพืชพปกคลุมเราไปนั่งคอยแต่ผลของมันมันเป็นไปไม่ได้อทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลถ้าเหตุดีผลมันก็ดีถ้าเหตุชั่วผลมันก็ต้องชั่วอันนี้เราจะปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบแต่เราไม่เอาจริงเอาจังแต่เราหวังแต่ว่าอยากจะรู้ว่าจิตสงบนี้เป็นอย่างไร พ, พุทธเจ้าท่านทําไมท่านจึงสนรเสริญหรือกุบายจารย์ทําไมจึงพูดสนรเสริญมากนะักนัตติสันติพระรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเออทาไมท่านจึงเชิดชูมากนะักความสุขอย่างอื่นเราก็พอได้เจอเรามีเงินคําทรัพสมบัติเรามีอาหารการบริโภคเป็นที่พออกพอใจความสุขอย่างนั้นเราก็พอจะเจออยู่ แต่ว่าความสุขจิตสงบนี้เรายังไม่เจอที่ว่าหาความสุขยิ่งกว่าความสงบนี่ไม่มีเรายังไม่เจอเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะหาให้เจอนะถ้าหาในขณะที่เราเป็นนักบวชไม่เจอแล้วยากที่จะเจอเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่มางั้นเถอะเพอาะเราบวชเข้ามาเราไม่ได้เล่าเรียนศึกษาฝ่ายประยักษ์อะไรมากมายมีแต่ดูแผนที่ เพื่อจะปฏิบัติเพื่อจะให้เป็นสมาธิจิตสงบถึงถึงจิตใจไม่หลุดพ้นอย่างที่ว่าก็ให้สู่ความสงบเป็นพื้นฐานให้ได้จิตสงบเป็นอย่างไรทามันสงบแล้วไม่ต้องถามใครนะเหมือนกับเรากินข้าวทีละคำละคำนเะพราะมันอิ่มขึ้นมาเราก็ไม่จําเป็นต้องถามว่าอิ่มนั้นมันเป็นยังไงอันนี้กูเหมือนกันเมื่อเราภาวนาภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเราก็ไม่ต้องถามใครอี ก, กจิตสงบเป็นยังไง ในเมื่อมันถึงมันรู้ได้แล้วเห็นได้แล้วมันก็สงบเมื่อมันสงบแล้วแล้วรู้แล้วโอ้จิตสงบเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องถามใครมันรู้ด้วยใจของเราเองปัจจตังเลยนะเอะถ้าจะว่าไปการภาวนาจะให้จิตสงบเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนเคยเล่นกอล์ฟเขี่ยลูกกอ ล, ล์ฟลงหลุมนะ่คือจะจงใจขนาดไหนก็เอาเถอะเขี่ยไปเขี่ยมาถ้ามันไม่ถูกจังหวะของมันนะ่ะ มันก็ลงหลุมไม่ได้แต่พอมันถูกจังหวะของมันมันจะลง๊อกทีเดียวเลยเขียนลงหลุมได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธินี่บางทีเราพยายามบังคับเอาอย่างเต็มที่มันก็ยิ่งผูกมันก็ยิ่งไปใหญ่แต่บางครั้งเราทําไปได้สนใจเอาเถอ้ามันไปอย่างไงก็ไปเถอะเราจะดูต้นเหตุพวกมันเราก็บภาวนาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆเออ เผ่อๆมันก็เข้าสู่ความสงบปั๊บของมันได้เออมันมีจังหวะของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราให้พยายามทําจิตให้สงบให้ได้ัด้พระเก่าพระใหม่ใจสงบจิตสงบเนี่ยเป็นพื้นฐานเลเป็นพื้นฐานถ้าจะเดินทางวิปัสสนาต่อไปก็พื้นฐานพระใหม่ก็คือได้รู้รสของพระธรรมของพระพุทธเจ้า เรื่องทานไปอย่างเรื่องศีลก็อย่า ง, ง, างความร่มเย็นเป็นสุขในพุทธศาสนาใหญ่แต่ความร่มเย็นเป็นสุขในเรื่องจิตสงบเนี่ยแต่ก่อนเราเจะเห็นแต่จิตของเราฟุง้งฟุ้งสานวุ่นวายแต่จิดมากๆมันจะเป็นบ้าเป็นบอเอาพอมันออกนอกลูนอ ก, นอกทางหัวจะแตกตาแดงพอมันคิดมากแต่ว่าจิตสงบเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้สงบอย่างไหนจิตเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์มาเป็นสอง เพระนั้นนี่แหละกําหนดอย่างที่ว่าเนี่ยคือสมาธิเนี่นเราจะยึดกรรมาฐานอะไรเป็นหลักที่ผมอธิบายเบื้องต้นนั่นนะพุโทโธพุโทโธทำโมสังโโหรือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาเดินจงกลมนีน่ในวิธีการทําสมาธิจิตใจให้สงบส่วนท่านที่มีพื้นฐานจิตสงบแล้วก็ให้เดินทางวิปัสสนาเลย เรานั่งเข้าไปในขณะนี้เวลานี้ครั้งนี้จิตใจเราเป็นยังไงคล้ายๆว่ามันออกมันอยากจะคิดก็ให้มันคิดทางวิปัสสนาดูเลยเพี้นนาเลยเพี้นณาถึงร่างกายสาังขารจากนั้นก็เพี้รนาถึงตัวนามธรรมตัวจิตดูความนึกคิดของจิตเห็นความเกิดดับของจิตมันคิดเรื่องอะไรมันดับ ดับป๊บดับป๊บดับป๊บดับป๊บดปัอยู่นในจิตใจความดับนั้นมันจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่อนิจังอนิจจานั้นเป็นของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงนั้นเป็นสุขและเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะนั้นเป็นตัวตนได้อย่างไรมันก็สู่เข้าไปถึงตายรักถึงนั่นแหละขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองพีนาถึงจุดใดก็ตามข้างนอกนะพีนาถึงภาตุดีก็ตามพีนาถึงอรชุพะอะไรก็ตาม ที่นั้นแล้ให้ย้อนเข้ามาหาตัวนามธรรมคือตัวผู้รู้นั่นล่ละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่จุดนั้นกิเลสมันอยู่ที่นั่นถ้ารู้รู้ที่นั่นรู้แจ้งที่นั่นปล่อยวางที่นั่นอไม่รู้ที่อื่นอย่าไปคิดว่าอยู่นอกโลกจักรวาลดินฟ้ากะมันอยู่ในหัวใจของเรานั่นล่ะรู้ที่นั่นปล่อยวางที่นั่นหลุดพ้นที่นั่นหลุดพ้นที่ใจ ให้พวกเราทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจภาวนาให้สม่ำเสมอถึงผมจะไม่ได้มาพูดกับหมูกับเพื่อนผมก็ยังเป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนทุกๆองคนั่นแหละมีอะไรก็พูดให้ฟังนังสือธรรมะเทปเทศก็พยายามเอาไปฟังนั่นแหะอยู่ที่ไหนที่ไหนเอาไปฟังได้ศึกษามีความรู้ความฉลาดได้เพราะการศึกษานั่นการได้ยินได้ฟัง คนจิฉลาดขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าจิฉลาดขึ้นมาโดยดุยขึ้นมาฉลาดได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเดินผิดเดินถูกสยามปูเป็นไปศึกษาดารารบทอุตตรการดาบทศึกษาจากต่างๆจนรู้ว่าไม่ใช่แนวทางจากนั้นมาพรธองค์จึงมาศึกษาโดยลําพังพระองค์ท่านก็ศึกษาเหมือนกันท่านรู้ว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นผิดทางไม่ใช่ทางเนี่ยผิดคือคือเป็นครูของท่านเอง พอท่านรู้ได้เอออันนี้ถูกต้องถูกทางมัชฌิมาปฏิปทานสมาธิสมาสมาังกปนมรแ8ดในพวกเราเราท่านๆมือนกันสาวกาไปว่าพูดสดับเนี่คือสาวกมันก็ต้องอาศัยได้ยินได้ฟังมาถึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาได้ความฉลาดขึ้นมาได้เพราะนั้นได้ยินได้ฟังจากไหนก็จากเทพจากหนงังสือแต่ละฉบับแต่ละเล่มเอามาอ่านมาศึกษาให้เข้าใจ แต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่ให้ว่าเป็นนอนแทะกระดาษอย่างที่หลวงตาว่านะไม่ใช่ว่าจะให้อ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่านพอเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติทั้งปฏิบัติด้วยทั้งฟังเทปไปด้วยอย่างนั้นแหละดีฟังไม่ใช่ว่านอนฟังนะถ้านอนฟังแล้วก็หลับไปมันไม่เกิดประโยชน์ถึงจะฟังขนาดไหนก็ฟังเหมือนกับเปิดเทปให้หมูฟังน่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรฟังก็ต้องตั้งใจฟังถ้าไม่ฟังก็ต้องดับ ไม่ใช่ว่าเราจะนอนฟังจนเป็นนิสยัยพอได้ยินเสียงเทปจะเหมือนกับพ่อแม่กล่อมเด็กให้นอนหลับอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเทปจะประงกงกันเข้าไปเลยอันนั้นใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นเวลาเราจะฟังเราตั้งใจฟังถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราก็ดับเทปอย่าไปฟังแบบไม่ใส่ใจคุยกันไปเทปพวกพูดไปเรื่อยอันนั้นฟังด้วยความไม่เคารพถึงจะฟังยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อไปก็เลยดื้อด้านไปอีกต่างหา ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจมันมันดื้อมันด่านใจไม่ยอมรับมันเคยชินพูดดิบพูดดียังไงมันก็ไม่เขา้าถึงเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เราต้องการฟังก็ฟังด้วยความเคารพพนมมือแล้วก็นั่งสมาธิฟังตั้งใจฟังฟังครั้งนี้ได้ความรู้อย่างนี้ฟังครั้งต่อไปก็ได้ความรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย น, นะในการฟังจิตของเราอยู่ในระดับไหนเราจะเข้าใจในระดับนั้น หาจิตใจของเราอยู่ในระดับสมาธิพอฟังไปเขาก็ซึ้งในสมาธิแล้วก็กำหมดตามไปแต่เมื่อเราพิจารณาทางด้านปัญญาท่านพูดถึงด้านปัญญาพิจารณาอย่างไงเราก็ซึงในด้านปัญญาเพราะนั้นผู้ที่ได้สมาธิพอฟังถึงด้านปัญญาแล้วก็ฟังไม่ออกเพราะว่าเรายังไม่ถึงระดับที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องฟังเอาไว้ อต้องฟังเอาไว้ต้องศึกษาเอาไว้ต่อไปพอเมื่อเราถึงทําจุดนั้นนะเออแต่ก่อนเราฟังนี่ก็ยังไม่เข้าใจเลยแต่ครั้งนี้เราฟังเข้าใจแสดงว่าใจของเรากําลังก้าวไปเรื่อยๆกาลังก้าวเดินไปไปจุดที่จะเดินไปทางวิปัสสนานี่แหละมันก้าวนะจิตใจของเราท่านเลยอาศัยได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยภาวนาไปด้วยแต่มันก้าวนะเราอย่าไปคิดว่ามันอยู่ที่เดิมนะ บางคนภาวนาทีแรกก็ใหม่ๆก็ดีพอมาช่วงหลังๆกไม่เอาไหนเลยอ่อน อ, อกอ่อนใจทาเป็นนี่คงยังไม่ทําถ้าไม่ทํามันดีกว่าเก่าเนาะหยุดก็ได้ถ้าหยุดเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงมันก็เหมือนถอยหลังเข้าคลองที่ริมมันอะไรจะเกิดขึ้นมันจะดีกว่าเก่าหรือมันไม่ดีกว่าเก่าแน่นอนนะมีแต่มันจะนเรวลงไปนรกอเวจีนในงั้นเถึงอ่เพราะฉะนั้นจิตใจ ช่วงที่มันเสื่อมเราก็รู้ว่ามันเสื่อมช่วงที่มันสงบเราก็รู้ว่าสงบช่วงที่มันก้าวหน้าเราก็รู้ว่ามันก้าวหน้าเราจะให้มันก้าวหน้าตลอดไปเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติบางท่านบางองค์ปฏิบัติมานมนานแต่บางครั้งจิตใจเหมือนกับมันอยู่เฉยเฉยเหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้ามันเป็นลนักษณะอย่างนั้นเราก็รู้ว่าเออจิตใจมันเป็นยังไงช่วง เราจะให้มันไปยังไงเราจะให้มันหมุนยังไงเราจะกระตุกมันยังไงเราจะให้สํานึกยังไงอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาหาวิธีการนะว่างั้นเถอะอืมแต่ถ้าจะว่าไปมันคยแค่ว่ามันจู่หาที่เพื่อมันจะก้าวหน้าเหมือนกันนะทีนี้เราก็ตุกเข้าไปถึงมรณะบั่งความตายบั่งอสุภะบั่งเอ่มันก็ไปพราะมันอีกอ่ามันไม่อยู่เฉยเฉยนะใครเข้ามาคนที่อยู่เฉยเฉยตัวก่อนเคยจิตสงบ บางทีก็เห็นนิมิตอะไรบ้างจิตใจร่มเย็นสบายเห็นนิมิตเลือกอะไรขึ้นมากับคออกพอใจจากนั้นพอนั่งภาวนาไปไม่เห็นอะไรให้ท้ายกับว่ามันไม่เห็นอะไรมันก็งูดจิตเห็นว่าตัวเองไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรมันจะไปเห็นอะไรเห็นอะไรจังความไม่เคี่ยนทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนหนึ่งเห็นตายรับอย่างนั้นแล้วเมื่อเห็นว่าเกิดมาเราเน่ต้องตายแน่ๆเห็นแต่ความตายตัวเองพิจารณาเห็นว่าตายต้องตายแน่ๆนะเรานี่นะ ไปอย่างอื่นไปไม่ได้นะเห็นเท่านี้มันเกิดดีแสนดีแล้วอืมถ้าเราบอกว่าโอ้นไม่เห็นอะไรเลยหยุดถ้าหยุดก็ได้แค่หยุดนะ่ะหยุดแล้วมันดีไหมสิจิตใจมันก็นยิ่งดำปี๋เข้าเรื่อยๆเลยสิออกจะดำปีแล้วก็แดงโล่เลยสิเออแดงโล่เกิดเป็นไฟไฟในใจไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะแล้วมันดีไหมอย่างนั้นทำมันดีก็ทดลองดูไม่ต้องปฏิบัติมีแต่ความหายนะ์ความเดือดร้อนทางจิตใจ น, นั่นแหะสิ พอมาถึงจุดถึงตะลีตะเลือด ก, กระบนกระไว้เลยถึงก็เราทิ้งมานานท่านที่ตะกอนเรากับภาวนาพอเป็นพอไปอยู่เราคิดว่าจิตใจมันเสื่อมเราก็เลยปล่อยวางจะไม่ยึดถือพอพอมาถึงจุดนี้แหละตายถ้าเราทํามันตั้งแต่สมัยสมมติจะข้านู้นเราคงจะดีกว่านี้อไอตัวกิเลสหลอกทั้งนั้นเพราะ น, นั้นพวกเราต้องฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้นะ่ะคิดเอาไว้ในสะิ่งหนึ่งอย่าให้มันหลอก ถึงจะเสื่อมก็คือเราเป็นคนเสื่อมถึงจะได้ก็คือเราเป็นคนได้ถึงจะเป็นยังไงก็ให้ดูให้สังเกตเหมือนกับการทำมาค้าขายที่เคยพูดกับหมูวกเพื่อนมาหลายครั้งจะให้ได้กำไรทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกครั้งกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนทุกครั้งทุกคนก็เป็นเศรษฐีหมดร่ำรวยกันหมดอันนี้บางค้ามันก็ไม่ได้บางค้ามก็อยู่ทุนบางคันมันก็ขาดทุนหรือมันขาดเพราะอะไร มันก็ต้องใช้ปัญญามันได้กาไรเพราะอะไรเราก็ต้องใช้ปัญญามันอยู่ทุนเพราะอะไรตัวไหนสินค้าตัวไหนมันเป็นอะไรทําไมมันก็ร่วนแล้วแต่ปัญญาทั้งนั้นแหละสติปัญญาของเราเท่านั้นต้องใช้พบทวนพิราณาการประพฤติปฏิบัติของตนเองครูบาอาจารย์แต่ละท่านละองค์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาลม้มลุกคุกทานจะไม่เป็นพระน้อยพระหนุ่มต้องกอดอดหลับกดนอนอดอยู่อดกิน